สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นะครับในเช้าวนี้เรามาอยู่ในตอนท้ายของชีวิตสาวกเป็นครั้งที่ยี่สิบเอ็ดเรื่องบำเน็จของสาวกแท้พี่น้องที่รักชีวิตที่อุทิศให้พระเยซูคริสต์เจา้ายอมได้รับบำเน็จครับและชีวิตที่อุทิศให้พระเยซูคริตเจ้านั้นเป็นชีวิตของสาวกแท้ในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปัน บำเหน็จอย่างน้อยสาประการที่เราจะได้รับเมื่อเราเป็นสาวกแท้ของพระเยซูเจ้าบาเหน็จประการแรกก็คือความปิติปราบปลื้มครับความปิติปราบปลื้มนั้นคือความรู้สึกปิติสุขหรือมีความปราบปลื้มใจที่เขาเรียกว่าจอยนะครับความชื่นชมยินดีนั่นเองครับความปิติปราบปลืม้มหรือความชื่นชมยินดีนั้นเป็นเรื่องที่เป็นความสุขแท้ ที่อยู่เหนือสถานการณ์นะครับตรงนี้ก็ได้คิดถึงว่าเป็นความสุขประเภทไหนครับเกิดจากอะไรครับความสุขแท้หรือความปิติปลาปลื้มความชื่นชมยินดีนั้นเกิดจากการได้ตอบสนองครับตอบสนองตอ่อพระคุณของพระเจ้าการที่เราได้ทดแทนพระคุณของผู้มีพระคุณโดยการที่เรารู้ว่าการสํานึกในพระคุณที่พระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราบนไม้กางเขน เป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับชีวิตของเราเพื่อที่เราจะได้ไม่ตายตกนรกเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่ความตายนิรันดร์เราคงทราบใช่ไหมครับว่าความตายนิรันดร์นั้นคือการแยกผ่าดจากพระเจ้าผู้ทรงประทานวิญญาณผู้ทรงประธานชีวิตวิญญาณของเรานั้นไม่ได้นอนหลับหรือไม่ได้ตายนะครับแต่วิญญาณของเรานั้นจะถูกแยกออกจากพระเจ้าชั่วนินรันดร์หรือถูก นำไปสู่อ้อมพระสวงของพระเจ้าหรืออยู่กับพระเจ้านิรันด์อันนั้นะครับคือ destination หรือจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงความปิติสุขตรงนั้นนะครับอันเกิดจากการได้ตอบสนองต่อพระคุณที่พระเยซูได้เส้นประชนเพื่อเราเป็นแมงเเขนทำให้เราได้ชีวิตนิรันด์เมื่อเราเชื่อไว้วางใจและเราเป็นสาวกที่แท้จริงติดตามพระเยซูไปแลวเราตอบสนอง ตอบพระคุณของพระเจ้าด้วยความรู้สึกสำนึกในพระกรุณาที่คุณของพระเจ้าของพระเยซูนั่นเองครับความรู้สึกที่ได้ตอบสนองนั้นเป็นความรู้สึกที่นำมาซึ่งความปิติสุขพี่น้องครับเวลาที่เรามีคุณพ่อคุณแม่ที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราควรจะต้องหาโอกาสช่วยโอกาสในการที่เราจะตอบสนองตอบแทนพระคุณของพระเจ้าแสดงความกตัญญูเมื่อคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้ว เราก็หมดโอกาสที่จะแสดงความกระตันอยู่เช่นเดียวกันครับการที่เราจะต้องรีบแสดงการตอบสนองรู้สึกสำนึกในพระคุณของพระเยซูิตเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เราต้องรีบตอบสนองเพื่อที่เราจะได้มีความปิติสุขครับประการที่สองของปิติสุขนั่นก็คือว่ามีความสุขจากการนำวิญญาณมาถึงพระเยซูคุณครับเวลาที่เรามีโอกาสนำวิญญาณมาถึงพระเยซูมีโอกาสนำคนรับเชื่อนะครับ เป็นสิ่งที่ปิติสุขที่สุดครับเป็นสิ่งที่มีความชื่นชมยินดีที่สุดมีความสุขที่สุดครับเมื่อได้มีโอกาสานำรับเชื่อหรือได้มีโอกาสาประกาศพระกิติคุณพอเรารู้สึกปิติสุขปลาปลื้มใจมีความชื่นชมินดีที่ได้ทําตามพระมหาบัญชาได้ทําตามนวัตไทของพระเจ้าแต่เมื่อมีคนหนึ่งคนใดสามารถที่จะ ได้รับพระคุณความรักของพระเจ้าตัดสินใจต้อนรับติดตามพระเยซูนั่นแหละครับนำมาซึ่งความปิติสุขากเรายังไม่เคยนำคนรับเชื่อพี่น้องครับลองดูครับอันที่สามครับปิติสุขจ เ, เกิดจากการให้เพราะเหตุที่ว่าการให้นั้นเป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับครับหลา่านเวลาที่เราไปทำสังคมสงเคราะห์หรือเราไปช่วยผู้ยากไร้หรือไปช่วยเด็กพิการเด็กกาพร้า นอนครับจะมีความปิติสุขอันเกิดจากการให้เนี่ยครับคือบํัณน็จของการเป็นสาวกแท้ครับบํัณน็จของการอุทิศชีวิตให้กับพระเยซูเจ้าอันนี้เป็นประการแรกนะครับคือความปิติสุขเกิดจากการได้มีโอกาสตอบสนองสํานึกในพระคุณเกิดจากการที่เราเร่นนําวิญญาณนํามาซึ่งความปิติสุขเกิดจากการที่รู้สึกเรามีความสุขอันเนื่องจากการให้ครับประการที่สองครับบํัณน็จของการเป็นสาวกแท้ในพระะของพรเจ้านะครับในภาคกิเิคุณ ไม่เพียงแต่ที่เดียวนะครับสี่ที่เลยครับมัทธิวบทที่สิบข้อสามสิบเก้ามาระโกะบทที่แปดข้อสามสิบห้าลูกาบทที่เก้าข้อยี่สิบสี่และยอห์นบทที่สิบสองข้อยี่สิบห้าได้กล่าวไว้นะครับโดยเฉพาะยิ่งยอห์นบทที่สิบสองข้อยี่ิบ้าได้บอกว่าผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอดเมื่อเขาปลดไฟครั้งครับพระเยซูตรัสครับว่าผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด ทำไมพระเยซูย้ำนักย้าหนาครับว่าผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราพระเยซูกำลังชี้ให้เห็นว่าเป็นหลักประการที่สําคัญที่สุดครับหลักประการหนึ่งที่สําคัญที่สุดในชริสเตียนก็คือว่าชีวิตที่รักษาไว้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อตัวเองหรือที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวของชีวิตของเรานั้นจะต้องหายไปต้องชูนหายไปครับ และมีชีวิตที่อุทิศตัวเพื่อพระองค์มาทดแทนครับนั่นแหละจะนําไปถึงความรอดที่แท้จริงครับและจะได้ชื่นชมินดีและเขาจะได้รักษาชีวิตนั้นไว้ตลอดชั่วนิรันดร์ครัพี่น้องครับถ้าเรารักษาชีวิตของเราเองนะครับชีวิตนั้นจะต้องสูญเสียไปแต่ชีวิตที่อุทิศเพื่อพระเยะซูครับชีวิตที่อุทิศในการเป็นสาวกแก่และบำเหน็จก็คือ เขาจะมีชีวิตรอดนิรันดร์พี่น้องครับถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราถวายตัวพระเจ้าไม่เต็มที่เราอาจจะต้องมีความทุกข์ใจในที่สุดแต่ถ้าเราถวายตัวแก่พระองค์อย่างสิ้นเชิงอย่างเต็มที่เราก็แน่ใจได้ว่าเราจะชื่นชมกับสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือความรอดครับเพื น, นคําอย่าลืมนะครับลองให้ควรประโยคนี้ที่พระเยซูตรัสผู้ใดจะเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด การเป็นสาวกแท้นั้นหมายความว่าเราเป็นทาสของพระเยซูแต่เมื่อเราเป็นทาสของพระเยซูนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นทาสพระเยซูนั้นเราจะพบว่าเรามีสันติภาพเสรีภาพอย่างเต็มเปี่ยมเมื่อเรารับใช้พระองค์เราจะบอกว่าข้าพเจ้ารักเจ้านายของข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายอมสมัครเป็นทาสทาสสมัครครับสมัครใจที่เป็นทาสข้าพเจ้าจะไม่ยอมไปอิสระเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเรา ยอมที่เป็นทาสของพระเยซูนะครับเมื่อ น, นั้นแหละเราเป็นอิสระอย่างแท้จริงเลยครับสาวกแท้นั้นจะไม่ยอมเอาตัวเองไปผูกพันอยู่กับสิ่งที่ไม่สําคัญเขาจะกังวลกับเนื้อเรื่องเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตอมตะชีวิตอิรันครับพี่น้องครับฮัตสันเทลเลอร์ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นอบนรรพชนฝ่ายวิ ญ, ญญาณนะครับเป็นคนที่นําภะกิติคุณเข้าไปในแผ่นดินจีน มากที่สุดนะครับท่านถึงขนาดยอมถักเตียแล้วก็ใส่ชุดคนจีนเพื่อที่จะแสดงตัวเองว่าเป็นเหมือนกับพวกเขาฮัตสันเทลเลอร์พูดอนยะ่างนี้เพราเขามีของไม่กี่ชิน้นไม่กี่อย่างเขาจึงไม่กังวลอยู่กับอนาคตเพราะเหตุที่ว่าของเขาน้อยครับหมายความว่าครับทรัพย์สินไม่มีครับมีเพียงชุดมีเพียงหนังสือ มีเพียงเงินทองติดตัวไม่มากสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่ทำให้เมื่อเรายิ่งมีน้อยเราก็ไม่กังวลกับของต่างๆที่อยู่ในโลกนี้แต่เขาจะเอาตัวเองผูกพันกับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแผ่นดินสว่างชีวิตอมะตะการประกาศข่าวประเสรศิฐการตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าการนำวิญญาณมาถึงพระเจ้ามีชีวิตที่ให้คนอื่นมากกว่าที่จะรับ พี่นะครับคนที่เป็นสาวกแท้อาจจะถูกกล่าวหาอาจจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ด้านหลังแต่พระเจ้าจะเข้าใจเขาและพระเจ้าจะรู้จักเขาอย่างดีนะครับอาจจะเป็นคนที่ถูกเคี่ยนแต่ยังไม่ตายครับยังสู้อยู่ที่ถูกตีแต่ยังไม่ล้มลงเป็นคนที่มีความทุกข์แต่ก็มีความยินดีอยู่เสมอเพราะว่าเขาประเจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังเขา ดูเป็นคนยากจนครับแต่ทําให้คนอื่นมั่งมีเป็นคนไม่มีอะไรเลยแต่ก็มีสิ่งสารพัดบริบูรณ์พี่น้องเปิดดูนะครับในสองโครินบทที่หกข้อที่เก้าถึงข้อที่สิบชัดเจนครับอาจารย์เปาโลท่านถูกกล่าวหาท่านเป็นคนที่มีคนไ ม, ม่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเป็นคนที่เหมือนกับตายแล้วแต่ยังเป็นอยู่ครับเป็นคนที่ถูกเคี่ยนแต่ยังไม่ตาย เป็นคนที่มีความทุกข์แต่ยังมีความยินดีเสมอเป็นคนยากจนแต่ทำให้คนอื่นร่ำรวยเป็นคนไม่มีอะไรเลยแต่ตัวเองมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์เพราะว่าเขามีในองค์พระผู้เป็นเจ้าประการที่สามครับบําเบ็จของการเป็นสาวกแท้ผมบอกแล้วนะครับว่าชีวิตสาวกแท้นั้นได้รับบําเบ็จมากที่สุดในชีวิตนี้และในชีวิตหน้ามัทิีบที่สิบหกก็ยี่สิบเจ็ดทาให้เรามั่นใจนะครับ โปรดฟังพงระเจ้าของพระเจ้าครับมัทธิวบทที่16ก้อ27เหตุว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระสิริแห่งพระบิดาแต่พร้อมด้วยทูตสวรรค์ของพระองค์เมื่อนั้นจะประทานบําเหน็จให้ทุกคนตามการกระทําของตนเพียงครับบําเหน็จนั้นจะให้ทุกคนตามการกระทําของตนเพราะฉะนั้นสาวกแท้นะครับประกันได้เลยครับว่าได้รับบําเหน็จมากที่สุดครับ ดังนั้นผู้ที่มีความสุขอย่างแท้จริงในชีวิตนี้และชีวิตหน้าก็คือสาวกแท้ครับเราจะต้องเลิกยุ่งเกี่ยวกับชีวิตในโลกที่เกี่ยวข้องกับราคะตันหาความบาปต่างๆเกี่ยวข้องกับความปรารถนาที่ชั่วเพื่อที่เราจะเทิดทูนพระเยซูไว้ในใจของเราและขอรับการเปลี่ยนแปลงให้เราไปถึงการเป็นสาวกแท้เพื่อที่เราจะได้รับบาเหน็จ ของการเป็นสาวกแท้อาเมน